สวัสดีค่ะท่านสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 นะคะรายการนี้มีดิฉันสังสิงค์น่าคงดําเนิน ให้กำลังใจกับท่านที่ตั้งใจจะทําดีกันทุกประเภทแต่สําหรับท่านที่ ค่ะสีหนิกข้อต่อไปนะเช่นการที่เอ่อไม่ลักทรัพย์นะการที่ไม่ <res> <arkadaşlar> แม้เสื้อผ้าเรายังไม่แห้งเราเอาของเข้าไปค่ะคือทั่ววันนี้อยู่ดีๆเราก็จะ ทางอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยคะโดยเฉพาะในสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวนี้ๆบ้างหรืออะไรตลกๆบ้างบางทีเค้าไซเบอร์แต่บาง แต่มันอยู่ในกลุ่มเดียว 2 หรือว่าค่ะเอ่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แต copy ได้เนี่ยนะคือ copy มาใหม่ใหม่มันก็มา มา. copy นะคือคุณทักคุณอนุญาตได้รับในการทําคอปี้ ซึ่งเป็นของตัวเราเองแล้วก็ตั้งใจส่งไปให้เพื่อนอ๋อตรงใช่มั้ยครับ ไอ้คนที่ส่งต่อส่งต่อเนี่ยจะมาเคลมว่าตัวฉันเป็นคนทําไม่ได้ C เขียนรูปคนเป็นอะไรเนี่ย C ก็หมายความได้แต่รูปคนเนี่ยหมายถึงฉันเป็นอยู่เพราะงั้นเท่ากับท่านกําลัง 2 ค่ะเนี่ยค่ะเอ่อ แล้วซื้อหนังสือมาฉบับนึงหนังสือมาเล่มนึงคุณซื้อทํา copy นะทํา copy เนี่ยมันมันไม่ผิดอยู่ละแต่ว่าคุณเอาไปทําอะไรกับ copy ที่ copy เพื่อที่จะเปรียบเทียบกันอันนี้คุณทําได้ <Okay. S> 2 เพนะคือการที่เอาซับอันชัวของไม่ได้ นะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ 1 ในคุณสมบัติของความเป็นลูกจ้างที่ดีด้วยนะคือไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้นะถือเอา <c oughs> ค่ะคือเนี่ยค่ะอย่างตัวอย่างคิดมากคิดอืมเค้าคะทําไมจะเอากลับมา คือใช้ที่ทํางานหรือใช้งานอะไรที่ค่อยใช้นี่ก็ใช้งานของราชการอย่างงี้นะเอาคําพระเนี่ยขอให้ท่านได้ช่วยหยิบ ประพฤติตนเป็นคนสะอาดไม่ เป็นคนสะอาด. ขโมยนะลักษณะนี้ใครนี่เองเออไม่ค่ะอืมค่ะส่วนศีลข้อถัดไปนะเป็นเรื่องของการประพฤติผิด บางคนพูดโกหกนะหรือต้องการของสิ่งนี้แหม 2 นะบางคนฆ่าคนแล้ว อันนี้ก็คือรวมอยู่ในข้อที่ 3 นี้ด้วยด้วยนะกบผิดผิดในการไม่ผิดผิดในการเสพกามค่ะทีนี้ เพศตรงข้ามนั่นคือผู้ 4 อย่างคืออย่างเอ้ยประสงค์นี่โหบ่วยมานี่หาต้องคลาริฟายเค้าเลยต้องถาม เดี๋ยวเอาของคนอื่นเข้ามาเรา 3 เราก็ไม่ได้ถามความสุขที่เกิดจากการเร 3 4 แทนนะซึ่งตรง นี่เป็นความสุขทางข้อ 3 นี้ไม่ได้คุมตรง 8 นะ 8 ของคนที่รักษาศีล 8 ว่า นะ, 8 นะค่ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตกลับมา ถูกกลุ่มด้วยสิงข้ออื่นอ่าแต่ 3 จึงจํากัดอ่าปัญญาร่วมใช่ร่วมปัญญาผู้รักษามีพี่ค่ะเท่ากับว่ากับว่าเอ่อ ในเรื่องเพศตรงข้ามเท่านั้นคือผู้หญิงเท่านั้นแต่ว่าเนี่ยค่ะหลายคนถ้า อ๋อที่ฉันเข้าใจว่าพุทธวจนะกำกับไว้แต่เพียงแค่อ่าได้เพราะว่าเอ่อตรงนี้พูดกับเคร่ห์ปฏิที่เป็นผู้ แต่ถ้าพูดกับผู้หญิงก็หมายถึงผู้ชายคงจะต้องคงจะต้องอนุโลมไปในลักษณะที่เรียกว่าก็คือ อย่างนี้นะคะประเด็นก็คือว่าอะไรที่มีคนอื่นรักษาอยู่น่ะ ควรที่เราไปแย้งเข้ามาเราแตกเค้าแน่นอนค่ะก็อ่าเป็นอีคอนนึงแล้วนะที่ถ้าทําบ่อยทํานานเนี่ยไป อ่าถัด 4 ก็คือเรื่องของวาจานะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่เอ่อพูดโกหกนะไม่พูด นะมันก็ไม่ใช่ว่าคือโกหกเนี่ยอะไรคือข่ายของการโกหกคือเห็นคือได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งเป็นอย่างนั้น อ้าวงั้นล่ะไม่บอกแต่เราไม่ได้โกหกว่าแม่ไม่ได้เป็นมะเร็งเราให้เป็นปกติพูดที่จะไม่โกหก วาจานั้นสะอาดใช่เป็นผู้มีตนเป็นคนสะอาดพุทธเจ้าใช้คํานี้อ่าคือเหมือนกับว่าเรื่องพูดเนี่ยมันเป็นอะไรๆคือเรื่องของ ในที่จะขอสรุปเนื้อหาของ 5 อย่างคือเสี่ยงต่อการพูดโกหกพูดเผลอเจ้พูดคำหยาบพูดสอดเสียดแล้วไปนรกนี่คือโทษของการพูดมากอนิสงส์ของการพูดพอประมาณนะคือก็จะไม่พูดโกหกไม่พูดสอดเสียดไม่ ก็รู้สึกว่าไม่มี FM 106 พบกัน